ธรรมะของพระพุทธเจ้านะบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งนะที่เข้าใจยากปฏิบัติยากอันนั้นก็มีอยู่นะแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายนะก็มีอยู่มากมายนะพระเจ้ามไม่ได้สอนแต่เรื่องที่ลึกซึ้งประเภทโลกุตระเหนือโลกเท่านั้นนะแต่ว่ายังสอนธรรมะที่ ช่วยทําให้มีความสุขในปัจจุบันนะแบบชาวโลกได้นะผู้ยานก็คือว่าพระองค์สอนทั้งทางธรรมและทางโลกนะความสุขทางธรรมก็หมายถึงความสุขทางใจที่เกิดจากการเข้าใจความจริงของชีวิตจนปล่อยวางได้ส่วนความสุขทางโลกก็อาจจะเป็นความสุขแบบง่ายๆนะชเช่นการทำมาหากินครูเจ้าสอนนะแม้กระทั่งว่า เมื่อได้เงินมาแล้วนี่จะใช้เงินอย่างไรนะจึงจะทำให้ไม่อัตคัดขัดสนทำมาหากินอย่างไรประกอบการค้าทำอาชีพอย่างไรนะถึงจะประสบความสำเร็จนะมันมีเรื่องพวกนี้มากมายนะแม้กระทั่งว่าทำยังไงถึงจะลดความอ้วนได้นะ อย่างที่พรเจ้า ก, ก็เคยสอนพระเจ้าประสิทธิ์ที่กศสนนะว่าเวลากินก็ให้มีสตินะผู้มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคน ะ, นะย่อมมีอ า, าพาธน้อยนะแล้วก็มีอายุยื น, นอันนี้ก็ช่วยทำให้พระเจ้าประสิธิ์ที่ก่อส น, นสามารถจะลดน้ำหนักได้ลดความอ้วนได้เพราะว่าให้มหาเล็กนะคอย คอยพูดคอยเตือนในระหว่างที่สวยประกายาหารทำให้รู้จักกินอย่างพอประมาณนะแล้วก็เห็นผลชัดเจนในเวลาไม่นานก็คือว่าความอ้วนก็ลดลงจะลุกจ ะ, จะเดินจะยืนจะเดินนั่งนะก็สะดวกขึ้นผู้เจ้าสอนแม้กระทั่งว่าทำอย่างไรถึงจะมีอายุยืนนะ อายุยืนนี่ก็มันก็เป็นความสุขทั้งโลกนะใครๆก็อยากจะมีอายุยืนนะพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไรนะก็แนะนำว่าให้รู้จักทำความสบายให้แก่ตัวเองข้อแรกนี่ก็หลายคนกอ็อาจจะแปลกใจนะเพราะคิดว่าพระุเจ้านี่สอนแต่เรื่องให้ทำตัวให้ลำบากทีจ่จริงเนี่ยการทำความสบายให้กก่ตัวเองนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนนะ แต่ว่าข้อต่อมาคือว่าต้องรู้จักประมาณในความสบายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอสบายแล้วก็ติดนะยิ่งสบายมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนี้เราสบายอย่างเดียไม่พอนะยังนับถือความสบายเป็นพระเจ้าด้วยอะไรที่สบายก็ขอเอาไว้ก่อนและเดี๋ยวนี้เนี่ย โครคภัยไข้เจ็บของคนสมัยนี้ก็เกิดจากการที่มันสบายมากไปเช่นไม่ออกกำลังกายเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยเยอะนอนแชั่วโมงนั่งอีกประมาณเก้าสิบชั่วโมงเก้าหรือสิบชั่วโมง เ, เรื่องแต่นั่งรถไปทำงานนะพอถึงที่ทำงานก็นั่งอีกเจ็ดแปดชั่วโมง แต่จะไม่ได้ขย ე งขยับไปไรยเลยกลับมาบ้านก็นั่งรถนะถึงบ้านก็นั่งอีกนะไม่ใช่แค่นั่งกินข้าวนะแต่ว่ายังนั่งดูโทรทัศน์นั่งนะดูนั่งฟังเพลงสมัยนี้ยังมีพวกเฟ e บุ o k เกมออนไลน์ก็นั่งอีกนะอีกสองสามชั่วโมงอันนี้เราสบายมากแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากนะก็คือว่ากินเยอะนะแต่ออกกาลังกายน้อย ก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะทําให้เกิดโรคหวัวใจนะนะเพราะว่าไขามันเนี่ยมันสะสมในร่างกายอันนี้ยังไม่พูดถึงว่ามีพิษนะสะสมอยู่ในร่างกายด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องขนขวายกันที่ลนล้างพิษนะมาล้างพิษกันที่วัดป่าสุก โ, โตก็มากนะปีหนึ่งก็หลายครั้งแล้วที่อื่นอีกมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามีชีวิตสะดวกสบายนะ นะกินกินมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะพิษมันก็สะสมพวกไขมันต่างๆก็พอกพูนะอันนี้เรียกว่าเป็นโรคคนสมัยใหม่นะบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นโรคขี้เกียจนะเป็นโรคขี้เกียจเช่นโรคความดันโรคหัวใจนะโรคเบาหวานมะเร็งด้วยนะอันนี้เรียกว่าสบายมากเกินไปาการที่ รู้จักประมาณในความสบายนี่สำคัญนะก็คือว่าต้องออกกำลังกายบ้างหรือว่าต้องอไปใช้กำลังนะใช้เลี้ยวใช้แรงบ้างนะเดี๋ยวนี้นะในประเทศยุโรอเมริกาสำนัก ง, งานบางแห่งก็ให้คนยืนทำงานนะไม่ใช่นั่งนะให้ยืนทำงาน อันนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้สมองลั่นด้วยนะเพราะว่าเลือดลมมันก็ไหลเวียนดีขึ้นนะสุขภาพก็ดีขึ้นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็น้อยลงการออกกำลังกายนะการะการวิ่งหรือว่าการรู้จักเดินบ้างนะเช่นแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดแทนที่จะนั่งรถก็เดินเดี๋ยวนี้ แม้กระทั่งวัดป่าสุโกโตนี่ก็เดินกันน้อยลงนะถ้าไม่ใช่บินทบาทสมัยก่อนนี่เวลาจะไปท่ามาไฟเนี่ยต้องเดินเอาสมัยก่อนนี่ต้องไปขึ้นรถที่ท่ามาไฟนะเราไม่มีรถวัดนะแตลงไปแก้งเขก็ต้องเดินไปท่ามาไฟชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ต้องใช้เรียลใช้แรงซึ่งก็ทําให้สุขภาพดีแต่สมัยนี้พอแม้กระทั่งวัดป่าอย่างเราก็เริ่มสบายมากขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวว่าแต่เดินไปขึ้นรถทํามาไฟเลยเดินไปขึ้นรถที่แก้งเอที่ปุดงงก็ไม่ค่อยเดินกันแล้วนะเพราะมีรถนะนนี้สบายมากไปก็ไม่ค่อยดีนะขนาดวัดปา่ายิ่งสบายขนาดนี้นักประสาทหลาคนในเมืองนะมันยิ่งสบายเข้าไปใหญนะ่เดินก็ไม่เป็นลน ะ, ะต้องนั่งรถไปปากซอยก็นั่งรถมอเมตอรไ์ไซค์ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งขึ้นรถเมล์ก็ไม่อยากขึ้นแล้ะเพราะว่ามันต้องเดินไปขึ้นป้ายรถเมล์ก็เลยต้องไปออกรถนะผ่อนรถจากบ้านนี้ก็ไม่ต้องเดินแล้วนะจากบ้านก็นั่งขับขับรถไปเลยนะไปถึงที่ทํางานเลยนี่มันสบายมากไปมันก็เลยเกิดโรคมากมายเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าสุขภาพจะดีได้เนี่ยต้องเดินนะวันละประมาณหมื่นเก้า เดินจากนี้ไปถ้าราไฟก็ห้าพันสามร้อยไปกลับก็1มื่นหนึ่งพอดีนะหมื่นเสร็จเอันนี้ก็เขาว่าถ้าได้ประมาณนี้แหละนะสุขภาพจะดีขึ้นไอการเดินเนี่ยออกกำลังกายนี่มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสมัยนี้อย่างที่บอกนะคนเราไปเชิดชูความสะดวกสบายมากนะและสุดท้ายมันก็เลยกลับมา เป็นโทษต่อเราในภายหลังอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าให้รู้จักประมาณในความสบายก็คือว่าอย่าสบายมากไปเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าพรนะองค์เข้าใจเรื่องสุขภาพของมนุษย์นะดีนะคราวนี้ประการต่อมาเนี่ยข้อที่สามคือว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายนะอาหารที่ย่อยง่ายเนี่ยนะก็ก็คงได้แก่พวกข้าวพวกผักแล้วมั้ง แม้ก็ทั่งถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อที่มันย่อยง่ายเช่นพวกปลาอันนี้ก็เหมือนกันนะคนสมัยนี้เนี่ยกินเนื้อกินเนื้อมากนะเนื้อหมูเนื้อวัวให้พวกนี้มันเป็นเนื้อเป็นอาหารที่ย่อยยากนแล้วก็ทําให้โรคหัวใจเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาว่าคนอเมริกาเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยเด็กนะเฉพาะเด็กเดียวเนี่ยกินอาหารประเภทขยะทั้งประเทศเลยทุกวันเนี่ยหนึ่งในสามก็คือประมาณสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในยุโรปอเมริกามีปัญหามากเด็กอ้วนเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายการย่อยอนะเพราะว่าอาหารที่กินมันเป็นพวกเนื้อเนื้อที่มันย่อยอยากอั น, นี่พระเจ้าก็เหมือนกับว่าเห็นการไกลนะาการรู้จักกินอาหารที่ย่อยง่ายนี่ก็ทําให้สุขภาพดีสุขภาพดีก็ทําให้อายุยืนพรนะพุทเจ้ายังตัดนะว่าเนี่ยถ้าอยากจะอายุยืนนะก็ต้องรู้จักรักษาศีล น, นะ รักษาศีลนี่ก็ทำให้อายุยืนนะมันเกี่ยวกันยังไงนะมันเกี่ยวมากทีเดียวนะเอาแค่ข้อศีลห้าเนี่ยศีลห้านะถ้าเรารักษาไว้ดีนะไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการกินเหล้าเมาสุรารวมทั้งบุหรี่ด้วยก็น้อยลงไมเดี๋ยวนี้คนก็ตายกันมากขึ้นนะเพราะว่าสุราแล้วก็บุหรี่เพราะว่ามันมีเงินไงพอเศรษฐกิจดีคนก็กินเหล้ากันมากขึ้น คนไทยสมัยก่อนก็กินเหล้าเป็นเป็นช่วงช่วงเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงกรานเนี่ยหรือว่ า, าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยถึงค่อยกินเดี๋ยวนี้กินกันทุกวันและเดี๋ยวนี้เหล้า น, นี่ก็หาง่ายมากนะคอยวิจัยพบ ว, ว่าเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้เวลาไม่เกินเจดนาทีนะก็ถึงร้านเหล้าแล้วหรือสามารถจะซื้อเหล้าได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะแม้ทั้งอยู่บนหลังเขาเนี่ยไม่ถึ ง, งเจ็ดนาทีนะก็สามารถจะ หาเล่ามากินได้นะขีมตอตร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้า น, นก็มีเล่ากินแล้วนะวัด น, นี้ยังใช้เวลา น, านานกว่าจะไปถึงนะแต่ว่าเล่านี่มันเข้าถึงได้ง่ายมากอันนี้นอกจากสิลข้อที่ห้าแล้วเนี่ยซื้อสินแปดนี่ก็เหมือนกันนะการการไม่กินอาหารในยามวิกาลเนี่ยกินแค่มือสองมือนี่มันก็พอเพียงแล้ว กินเดี๋ยวนี้กินกันสามสี่ห้ามื้อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคอ้วนขึ้นมาพอเดี๋ยวนี้เรากินเอาความสนุกสนานเอารสชาติมากกว่ากินเพื่อคํานึงถึงสุขภาพเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องตอนนี้การมีศีลเนี่ยยังช่วยทําให้ไม่ไปก่อเรื่องก่อราวกับใครนะเพราะว่าถ้าไปไปผิดศีลนะมันก็ตายเร็วนะอาจจะตายเพราะว่า ถูกเขาทํำลายเนี่ยไปผิดศีลข้อสามเนี่ยไปเป็นชั่วเขาเนี่ยก็ตายง่ายตายเร็วนะหรือไปขโมยขโมยของเขาไปาลักจับสัตว์นี่เขาก็หาทางกันแกล้งหรือว่าจับเขา้าคุกเขาตารางได้ศีลนะนี่มันช่วยทําให้อายุยืนนะมันไม่ใช่เพียงแค่ทําบุญทําให้จิตใจดีเท่านั้นข้อที่ห้านี่การมีมิตรดีนะมีมิตร ด, ดีถ้ามีมิตรดีก็ทําให้รักษาศีลได้นะถ้ามีมิตรชั่ว ให้การที่จะมีศีลเนี่ยครบห้าข้อเนี่ยมันก็ยากยพอศีลไม่ครบนะมันก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยถ้าเราถ้าเราขาดศีลเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความเครียดมันก็อยุยืนเพราะว่าจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันถ้ามีเรื่องเครียดเครียดนะเพราะว่าไปก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเขาก็จะเล่น ง, งานเอา ไปคอรับชั่นไปโกงนะเขาก็พอรู้เขาก็จับเข้าคุกหรือว่าสืบสวนก็เกิดความเครียดขึ้นมานี่จะได้นนว่าเนี่ยคำสอนง่ายๆผู้เจ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะแล้วก็ทำให้เห็นว่าผู้เจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องการการสร้างความสบายการทาความสบายให้กับตัวเอง อย่างที่เราทราบพุทธเจ้าก็ไม่สับสนการทรมานตนอยู่แล้วแต่คนยา่สงสัยที่พุทธเจ้าสอนเรื่องให้ฝึกฝนอย่างเช่นทุดงเขวัตเนี่ยนะมันไม่ใช่การทรมานตนเลยนะทุดงเขวัตนี่ก็เช่นาการฉันอาหารมื้อเดียวฉันในบาหรือว่าบางทีก็ไม่นอนนะการไม่นอนนะไม่นอนหมายถึงว่าไม่หลับด้วยการนอนนะแต่ว่าอาจจะนั่งหลับได้อันนี้ไม่ใช่การทรมานตนเลยนะ อันนี้ผู้เจ้าสอนเพื่อเป็นการฝึกฝนนะเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักเผชิญความยากลําบากนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องทําทุกคนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทําไปตลอดนะเป็นการฝึกเป็นการขัดเกลานะให้รู้จักอดทนนะเมื่อขัดเกลาวได้แล้วนะก็ก็จะก็จะวางหรือว่าจะเว้นก็ได้ไม่ทําก็ได้ อย่างไรก็ตามว่าอย่างที่บอกแล้วนะว่าคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากไปเพราะถ้าสบายมากไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าทําให้อายุสั้นแนะอาจจะเกิดปัญหาตามมามากมายก็มีเรื่องเล่านะนะแถวทางทิเบตลาดักปูฐานเนี่ยนะเขามีพิสุณีอามีสามเณรีนะสามเณรีเนี่ยบางทีก็นิยมปลีกลีกเล่นนะไปอยู่ป่าไปอยู่ถ้าป่าอาจจะมีน้อยนะแล้วก็ไปอยู่ถ้า อันนี้เป็นเรื่องที่าทากันเห็นได้ทั่วไปอันนี้ไม่มีในเมืองไทยนะแต่ว่าในประเทศที่เขานักถือศาสน า, าพุทธแบบวัชรยานเนี่ยมันก็จะมีประเพณีนีเน้เพราะเขามีสา ม, มเณรีนะแล้วก็เน้นการปฏิบัติอย่างอุกฤษมากก็มีสา ม, มเณรีคนหนึ่งนะก็หลีเล่นไปปฏิบัติธรรมในในป่ า, าใกล้ๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะก็อยู่แบบปลีกวิเวกแหละ นะสมบัติก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่จีวรแล้วก็ต่อมาก็พบว่าเวลาไปบินทบาทก็ดีนะหรือว่าเวลาปฏิบัติธรรมกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าหนูเนี่ยมันชอบกัดนะกัดจีวรให้ขาดให้เป็นรูท่านก็ต้องคอยปะคอยชุนคอยซ่อมปะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มากัดอีกนะให้เป็นรูก็ต้อง ต้องปะใหม่นะจีวรก็มีน้อยอยู่แล้วว่าสมัยก่อนหายากนะไม่ใช่ว่าจะมีจีวรมากมายสมัยนี้จะไปซื้อก็ไม่ได้นะเพราะนั้นไอ้ที่มีก็ต้องรักษาให้ดีถ้ามันขาดก็ต้องซ่อมต้องปะอย่างเดียวท่านปะอยู่หลายครั้งนะเพราะหนูตัวนี้มันก็คอยมาก่อกวนอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกเบื่อนะเบื่อนะการปะการชุนเสียเวลาปฏิบัติธรรมนะก็เลยคิดหาว่าทายังไงนะถึงจะไม่ให้หนูมากัด จีวอนก็นึกว่าเออนึกได้ว่ามันต้องมีมีแมวนะถ้ามีแมวเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ให้หนูนี่มากัดจีวอนจนกระทั่งต้องมาคอยปะคอยชนอยู่ร่ำไปคิดได้เช่นนี้ก็ไปขอขอลูกแมวจากชาวบ้านมาชาวบ้านก็ให้ลูกแมวมาตัวหนึ่งนะอันนี้ลูกแมวเนี่ยพอมันมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาต่อมาว่าต้องหานมให้มันกินนะเพราะนั้นก็ต้องไปขอนม นมวัวนะจากชาวบ้านบิณฑบาตทุกวันก็เอาได้นมวัวมาก็ให้เลี้ยงแมวหวังว่าเมื่อแมวโตขึ้นมันก็จะไล่หนูจากวันนี้ไปขอนมชาวบ้านทุกวันทุกวันก็เกรงใจนะก็เลยคิดว่าไอ้ทําไมเราไม่เลี้ยงวัวซะเลยจะได้ไม่ต้องรบกวนชาวบ้านบ่อยๆก็เลยไปขอบวัวชาวบ้านชาวบ้านก็ให้นะให้วัวมาอันนี้พอมีวัวแล้วเนี่ยสามเณรีก็ต้องไปคอยเกี่ยวญ้าให้วัว นะเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็ชักเบื่อรู้สึกเหนื่อยลนะรู้สึกมันยุ่งยากเหลือเกินนะเพราะว่าการเกี่ยวย้ายมันไม่ใช่ง่ายนะก็เลยคิดว่าเอ้ยทายัางไงนะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ได้ความคิดว่าจะต้องมีน่าจะมีเด็กนะมาช่วยเกี่ยวยาาินะแทนเราก็เลยไปปรึกษากับชาวบ้านว่านะจะ มีเด็กคนไหนสนใจนะจะมาจะมาอยู่กับสามเณรีไหมสามเณรีก็ได้สอนธรรมะสอนหนังสือนะอันนี้ก็เป็นเครื่องตอบแทนนะก็ได้เด็กชาวบ้านมาคนหนึ่งนะเด็กอายุก็ก็ทักก็พอจะเริ่มกล้จะวัยรุ่นแล้วนะสิบเอดสิบสองนะพอที่จะมาเกี่ยวญาติได้อันนี้พอได้เด็กมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาต่อมาว่าเด็กเนี่ยจะจะอยู่ กับสามนเณรีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องสร้างกระท่อมสร้างกระต้อให้นะก็เลยต้องอต้องลงมือสร้างกระตอ้อนะขณะที่กําลังลงมือสร้างกระต้อให้เด็กอยู่นี่ก็ก็เลเาวุ่นนะจนกระทั่งภาวนาก็ไม่ภาวนานะก็บังเ อ, อิญมีชาวบ้านนะมาหามาปรึกษาจะมาปรึกษาเรื่องชีวิตนะเรื่องขอความเห็นเพื่อแนะนํา สา ม, มัญิเ็นก็รู้สึกลำคาเลยนะบอกว่าฉันไม่มีเวลานะไม่รู้หรือว่าเนี่ยฉันกาลังสร้างกระท่อมให้เด็กนะเด็กก็จะได้มีเวลาเด็กจะได้มาช่วยตัดหญ้าให้ให้วัวนะแมวฉันก็จะได้มีน้ำนมนะพอแมวโตก็จะได้ไปคอยไล่หนูไม่ให้มากัดเสื้อของฉันนะฉันจะได้ไม่ต้องมาคอยปะชุนตีวันบ่อยๆพอพูดอย่างนี้เขาก็ก็นกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ ทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นเพียงแค่เราต้องการแก้ปัญหาเนี่ยหนูกัดจีวอนเนี่ยมันชักจะใหญ่โตแล้วนะก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วพอได้สติขึ้นมาว่าชักมันเริ่มมาชักจะไปกันใหญ่แล้วเพียงแค่ว่าไม่อยากจะปะชุนจีวอนเพราะหนูกัดเท่านั้นแหละก็เลยเปิดอหลมว่างั้นเราชักจะเลยเถอแล้วนะงั้นเลิกดีกว่านะต่อไปนี้ก็ ไม่ต้องเลี้ยงแมวแล้วเนะมื่อไม่ต้องเลี้ยงแมวนะก็ไม่ต้องเลี้ยงวัวเมื่อไม่ต้องเลี้ยงวัวก็ไม่ต้องเอาเด็กมาเมื่อไม่ต้องมีเด็กก็ไม่ต้องสร้างกระท่อมนะน้าจบนะง่ายดีและตั้แต่นั้นมาเนี่ยนะก็ชีวิตของสามเณรีก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งมีเวลาปฏิบัติธรรมและวันหนึ่งก็พบว่าตื่นขึ้นมาจีวรเนี่ย ถูกหนูกัดอีกแล้วแต่คราวนี้เนะี่ยแทนที่จะบ่นนะอ่สามมณีรีก็เยบจีวรนนะอย่างอย่างมีความสุขละแต่ก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยเยัดไปก็บ่นไปนะว่ามันทําให้ชีวิตฉันยุ่งยากเหลือเกินแต่ตอนนี้สามมณีพบสามมณรีพบว่าเยบจีวรนนะเวลาหนูกัดนี่มันมันง่ายที่สุดละนะไม่ต้องบ่นอะไรนะมัน จีวรมันปกขาดก็เย็บมันซะอย่าไปบน่นอย่าไปโวยวายไม่ต้องหาไม่ต้องไปหาวิธีการอจัดการกับหนูเพื่อไม่ให้หนูมากัดจีวรก็กลายเป็นว่าจบนะชีวิตมันง่ายขึ้นนะเพียงเพราะว่ามีความพอใจกับการเย็บจีวรเมื่อมันขาดนะอทีแรกเนี่ยนะทีแรกเนี่ย สามนเญลีรู้สึกว่าการเย็บจีวรมันเป็นเรื่องยุ่งยากนะมันทำให้ไม่สบายทีแรกสามัญรีอยากจะสบายไงอยากจะสบายมันอยากจะมาเย็บจีวรก็เลยหายวิธีแต่ปกติวิธีการของสามเญรีนเนี่ยมันมีแต่ทำให้วุ่นวายหนักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคนเราเนี่พออยากสบายเนี่ยไอ้วิธีการแก้ความไม่สบายคนเราเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้น เพียงเพราะอยากจะสบายเนี่ยนะมันทำให้ชีวเ์เรายุ่งยากมากขึ้นคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะอยากจะสบายนะบ้านก็อยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีรถยนต์อยากจะติดแอร์นะมันจะได้ไม่ร้อนนะไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินเอานะมีน้ําเย็นๆกินเสร็จแล้วเป็นงานชีวิตสบายขึ้นไหมมันก็ไม่สบายนะเพราะว่ามันต้องทํามาหาเงินนะ ต้องทํามาหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อได้มีเงินมามาผ่อนตู้เย็นนะมาผ่อนรถมาผ่อนแอแล้วก็ตามหมามากมาอยากได้บ้านใหญนะ่อยากได้บ้านใหญ่ที่ที่มั่นคงนะอยู่สบายก็ต้องไปกู้เงินเข้ามานะกู้เงินสหกรณ์ถ้าเป็นครู ก, ก็ไปกู้เงินสหกรณ์มาเป็นแสนเสร็จแล้วเป็นไงก็ต้องเหนื่อยการหาเงินบางทีก็ต้องไป มีอาชีพหลายอาชีพนะเป็นครูเสร็จก็ต้องตอนเย็นก็ต้องไปเป็นพนักงานขายแอมเวย์เนี่ยขายประกันบ้างเดี๋ยวนี้ครูนี่มีอาชีพสองอาชีพเลยนะสามอาชีพเนี่ยขายประกันบ้างขายแอมเวย์บ้างไอเพราะความอยากจะสบายนี่มันทําให้ชีวิตเนี่ยไปมาณเนี่ยกลับเป็นกลับไม่สบายนะกลับยุ่งยากเหลือเกินสุดท้ายก็ไม่มีเวลาแม้กระทั่งอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนก็คอยหาเงิน ถ า, าหาเงินเพื่ออะไรนะหาเงินเพื่อว่าชีวิตมันจะสบายแต่สุดท้ายมันก็ไม่สบายนะแต่ถ้าเราเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะเออมันก็สบายกว่าอย่างสามเณรเยเนี่ยถ้าเขาสึกว่าถ้าเมื่อเขาเริ่มพอใจนะไม่รู้สึกว่าการยึดจิวรเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากชื่อตเขาก็จะสบายขึ้นนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการมองนะการมองปัญหาด้วยนะว่า ปัญหาเกิดจากอะไรที่แรกสามเณรีเขาเชื่อปัญหาเกิดจากการที่มีหนูมากกัดนะทาให้จีวรขาดนะแล้วเขาก็เลยไปคิดแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยการหาแมวมาไล่หนูนะแล้วพอมีแมวก็ต้องเลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวก็ต้องมีเด็กมาคอยตัดเกี่ยวหญ้าให้วัวที่จริงปัญหาเนี่ยมันแก้ง่ายนิดเดียวนะก็คือว่าปรับที่ใจของเรานะ อย่าไปคิดแต่จะคิดจะไปคิดแต่การแก้หาวิธีว่าทำไงถึงจะไม่ให้มีหนูมากัดนะถ้าเราแก้ที่ใจของเราคือว่าเออมันกัดก็เราก็ปะมันแค่นั้นเองมองว่าการปะจีวร น, นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามันก็จบแค่นั้นแหละก็คือปรับที่ใจงไงนะมีความสุขกับการอ่าเย็บจีวรถือว่าการเย็บจีวรเนี่ยก็เป็นภาวนาไปด้วยนะ คนสมัยนี้ไปแก้ปัญหาที่ไปมองว่าปัญหาอยู่นอกตัวนะปัญหาเกิดจากข้างนอกปัญหาเกิดจากการที่มีบ้านเล็กไปเกิดเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นไม่มีรถยนต์นะแต่ที่จริงปัญหาเกิดจากการที่เราไม่พอใจในสิ่งที่มีมากกว่าไปคิดว่าบ้านเล็กคือปัญหาไปคิดว่าการเดินเนี่ยคือปัญหานะอย่าไปมองปัญหาว่ามันอยู่ที่ข้างนอกนะให กลับมามองว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราหรือเปล่านะเพียงแค่ปลดใจเราชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะไม่วุ่นวายวิธีการแก้ปัญหาชาวโลกเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมาเป็นวิธีการแก้ที่ข้างนอกพอไปแก้ที่ข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายตามมาที่เป็นภาระเนะีอันที่พระเจ้าตรัสว่าให้ว่าให้รู้จักประมาณในความสบายเนี่ยสําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ รู้จักประมาณในความสบายคืออยากจะสบายเรื่อยๆอยากสบายให้มากกว่านี้ชีวิตมันจะกลายเป็นว่ายุ่งยากกว่าเดิมนะและแถนเนี่ยยังทําให้อายุสั้นด้วยนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าสบายมากไปอายุมันก็สั้นลงเพราะว่าสุขภาพร่างกายย่ําแย่แต่ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ทันจะสั้นคือยังไม่ทันจะเจ็บไม่ทันป่วยนะมันก็เจอเรื่องวุ่นวายนะเกิดขึ้น คนสมัยนี้เนี่ยพอบอกว่าพออยากจะสบายมากนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีเวลาแล้วไม่ค่อยมีเวลาคนสมัยก่อนนี่ชีวิตนี่ลําบากนะจะใช้นานนี่ก็ต้องไปไปตักมาจากบอ่อนะจะกินข้าวนี่ก็ต้องไปติดไฟจะมีจะติดไฟต้องต้องไปหาฟืนมานะทําแต่ละอย่างใช้เวลาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําไม่ว่าจะเป็นการ หุงข้าวใช้เวลาทั้งนั้นไม่มีมาม่าที่จะทําประเภทประเดีย๋ยวเดียวก็เสร็จละไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีหม้อหุงข้าวแต่ทั้งที่ชาวบ้านนี้เขามีเขาต้องใช้เวลาในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายนะแต่แปลไหมเขามีเวลาชาวบ้านนี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา คนสมัยนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมีเครื่องทุ่นเวลาเยอะแต่ชอบบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะไม่รู้เวลามันหายไปไหนหมดนะไม่มีเวลาแม้กระทั่งอยู่กับลูกไม่มีเวลานะกินข้าวพร้อมหน้าไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนเวลามันหายไปไหนนะมันหายไปกับการที่สแสวงหาความสะดวกสบายนะเวลามันหมดไปเพราะว่าไป อยากจะหาเงินหาทองมาเพื่อที่ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นแต่ยิ่งยิ่งทำนะเวลามก็หายไปและชีวิตก็ยุ่งยากกว่าเดิมและพออย่างนี้แหละนะชีวิตมันก็เลยเครียดพอเครียดมากๆก็เลยอายุสั้นนะหรือว่าถึงแม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อายุสั้นนะแต่ว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันสารพัดอันนี้สรุปง่ายๆคือว่าเป็นเพราะไม่รู้จักประมาณในความสบาย นะการทำความสบายให้กับตัวมีของดีนะแต่ว่าให้มันพอดีพอดีนะอย่าให้มากเกินไปไม่งั้นเนี่ยชีวิตจะไม่สบายชีวิตจะยุ่งยาก